สันธตาพานวานันเรื่องพวกภิกษุวัดชีบุตร43สมัยนั้นพวกภิกษุวัชชีบุตรชาวกรุงเวสาลีหลายรูปชั้นอาหารจำวัดและสงน้ำพอแก่ความต้องการมนสิการโดยไม่แยบคายไม่บอกเคิืนจิกขาไม่เปิดเผยความท้อแท้พาเนเตรเมตุนธรรมต่อมาพวกเธอถูกความเสื่อมญาตความเสื่อมโภคะและโรคกลุ่มรุมจึงเข้าไปหาท่านพระอ น, นุ์เรียนว่าท่านพระอ น, นุ์ พวกกระผมไม่ติเตียนพระพุทธไม่ติเตียนพระธรรมไม่ติเตียนพระสงฆ์พวกกระผมติเตียนตนเองไม่ติเตียนผู้อื่นพวกกระผมไม่มีวัสนามีบุญน้อยบวชในพระธรรมวินัยที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้ดีแล้วไม่สามารถจะประพฤติพรหมจรรย์ให้บริสุทธิ์บริบูรณ์ได้ตลอดชีวิตบัดนี้ถ้าพวกกระผมได้บรรพชาอุปสมบทในสำนักพระผู้มีพระภาคอีกพวกกระผมพึงเห็นแจ้งกุศลธรรมมันประกอบ ความเพียรในการเจริญโพธิปักคีธรรมตั้งแต่หัวค่ำจนรุ่งสางพวกกระผมขอโอกาสท่านพระอ น, น, นุนได้โปรดกราบทูลในเรื่องนี้แด่พระผู้มีพระภาคเถิดพระอ น, นุรับคำแล้วเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับครั้นถึงแล้วได้กราบทูลในเรื่องนี้ให้ทรงทราบพระผู้มีพระภาคตรัสว่าอ น, นุนไม่ใช่ฐานะไม่ใช่โอกาสที่ตถาคตจะถอนปารชิกศิขาบทที่บัญญัติแก่สาวกทั้งหลายเพราะ พวกวัตชีหรือวัชชีบุตรเป็นเหตุลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคทรงแสดงธรรมีกถาเพราะเรื่องนี้เป็นต้นเหตุแล้วรับสั่งกับภิกษุทั้งหลายว่าภิกษุทั้งหลายผู้ใดเป็นภิกษุไม่บอกคลื่นศีกขาไม่เปิดเผยความท้อแท้เสพเมทุนธรรมทั้งที่ยังเป็นภิกษุผู้นั้นมาแล้วสงไม่พึงให้อุปสมบทแต่ผู้ใดเป็นภิกษุ บอกเคืนสิกขาเปิดเผยความท้อแท้แล้วเสบเมทุนธรรมผู้นั้นมาแล้วทรงพึงให้อุปสมบทแล้วจึงรับสั่งให้ภิกษุทั้งหลายยกสิกขาบทนี้ขึ้นแสดงดังนี้